ท่านที่บรรลุด้วยกันดูจิตก็มีคือท่านพระอนุรุษท่านพระอนุรุตดูจิตจิตมีกิเลสเลยท่านคอรู้รู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปปรุงแต่งท่านไปถามท่านพระสารีบุตรว่าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญผมมีทิพระจักษุเลิศเกิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทาไมผมไม่บรรลุพระอราหารันตสิ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 ครบาอาจารย์ยังมีความเห็นที่แตกต่างข้อที่ท่านไม่เห็นด้วยนะคือหลวงพ่อบอกการพาวนาน ง, ง่ายท่านบอกยากนะยากเพรานัมีความต่างอยู่หนึ่งข้อต้องไปคิดเอาเอยางยากหรือง่ายท่านพูดตองถูกของท่านแหละนะเอ้เราทำเรารู้สึกไม่ยากแต่เวลาทำเป็นแล้วมันไม่ยากนะมันยากตอนทำไม่เป็นถ้าได้หลักลองมันง่ายแล้วมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมา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 เพราะงั้นเวลาการปฏิบัตินะบางท่านใช้สมาธินําปัญญาบางท่านใช้ปัญญานําสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะมีอีกพวกหนึ่งพวกที่สพวกที่สเนี่ยคนที่อ่านตําราจะไม่เข้าใจแต่คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วชักจะเข้าใจพวกที่สี่เนี่ยนะท่านบอกว่าจะมีโอภาษมีอุทัจักกั้นไว้มีใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยกั้นไว้ก็มีโอภาษ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 ท่านภาวนาของท่านดีๆนะท่านไม่ได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไกลๆนะท่านเรียนอยู่แถวยุทธยาเนี่ยท่านก็ภาวนาของท่านนะธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยเป๊ะๆเลยอัศจรรย์มากเลยน่าทึ่งงั้นพวกเราก็สำรวจใจนะกิเลสละเอียดก็ดูยากหน่อยค่อยๆหัดดูถ้าไปพูดกับใครแล้วบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแล้วภูมิใจอะกิเลส น, นะ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 คิดกระตุ้นเพื่อให้จิตมันเคลื่อนไหวอย่างมันมารู้กายแล้วรู้ชื่อๆไม่ยอมเดินปัญญานะั่นก็คิดพิจารณากายกระตุ้นมันนิดนึง่งพอมันเดินปัญญาเองนะมันเห็นกายกายนี้ทํางานไปไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วดูของจริงลงไปดูจิตนะจิตเกิติดนิ่งติดเฉยก็คิดนิดหน่อยนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตจึ่านี้นิ ด, น, ดนิดหน่อยหนพอจิตมันเคลื่อนไหวมันทำงานแนละ้วสติระลึกตามระลึกไปนะไปฝึกเอานะ